บนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปในการปฏิบัติทางจิตที่เรียกว่าสมถกรรมฐานคือการงานที่บุคคลจะพึงทำทางใจเพื่อความสงบระงับดับนิวรณ์ทั้งห้าประการ ดังที่กล่าวมาแล้วก็ดีหรือการบำเพ็ญเพียรที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานคือการงานทางใจที่บุคคลจะพึงสร้างปัญญาให้บงังเกิดขึ้นกจัดบรรดากิเลสอาสวะทั้งมวลให้ออกไปจา ก, กจิตใจก็ดีนั้นทางที่บุคคลจะพึงดำเนินคือลงมือประพฤติปฏิบัติ เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็ได้แก่อริยมรตมีองค์แปดประการที่พระพุีปเจ้ า, าได้ทรงแสดงไว้ว่าบรรดาทางทั้งหลายนั้นทางมีองค์แปดประการเป็นทางที่ประเสริฐสุดเราสามารถทำบุคคลผู้ดำเนินไปด้วยการประพฤติปฏิบัติ ให้บรรลุความสุขความสงบตามสมควรแก่ชั้นแห่งการปฏิบัติและเมื่อบุคคลได้ปฏิบัติมักมีองค์8ประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วการบรรลุมักผลในทางพระพุทธศาสนาก็จะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งยืนยันไว ก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพานโดยการจัดตอบปัญหาของสุภัทะปริภาชกซึ่งมากราบทูลถามปัญหาและถือว่าเป็นการตอบปัญหาครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าท่านสุภัตถปริภาชกกราบทูลถามเป็นใจความว่าสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สซึ่งหมายถึงพระโสดาบัน พระสักทาคามีพระนาคามีและพระอระหันต์ในธรรมวินัยอื่นมีอยู่หรือไม่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าธรรมวินัยใดยก็ตามที่อริยมรรคมีองค์8ประการคือมีการสอนการแสดงการประพฤติปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ปประการในธรรมวินัยนั้น ย่อมมีพระอริยบุคคลทั้งสีประเภทดังกล่าวและทรงแสดงไว้ว่าเมื่อการศึกษาและการปฏิบัติชอบตามองค์อริยมัริมีองค์แปดประการยังมีอยู่สาบใดโลกจะไม่ว่างจากพระอริยบุคคลทั้งสีประเภทสาบนั้นเพราะความเป็นอาการิโกคือไม่ประกอบด้วยการแห่งธรรมะ ทางที่ได้สูตรกันเมื่อบุคคลตั้งใจศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามองอริยมรรคทั้งแปดประการแล้วผลที่บุคคลจำานงหวังให้เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัตินั้นก็นนย่อมจะมีตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติในมรรคมีองค์แปดประการนั้นจึงเป็นการสรุปหลักการปฏิบัติท้งมวลในพระพุทธศาสนาไว ลงในอริยมรรคมีองค์แประการและอริยมรรคมีองค์8ปประการนั้นก็สรุปรวมลงอีกทีหนึ่งในเรื่องของศีลของสมาธิและของปัญญาเรื่องของศีลสมาธิปัญญานั้นได้ทรงแสดงไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงยังศีลให้สมบูรณ์คือปฏิบัติศีลให้สมบูรณ์ พระบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วจิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาธิที่บุคคลอบรมกระทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาให้บังเกิดขึ้นปัญญาที่เข้าถึงความบริบูรณ์จะก่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วสามารถถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นต่าง ลงไปได้อย่างสิ้นเชิงซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าหลักการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานั้นเปรียบเหมือนกับปันไดที่บุคคลจะพึงก้าวเดินไปด้วยความเพียรพยายามของตนเองและเมื่อเดินไปในขั้นหนึ่งในระดับหนึ่งผลคือความรู้ความเข้าใจก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่ขั้นนั้นๆ ในมรรคปยงปประการท่านจึงเริ่มต้นด้วยสมาธิฏฐิซึ่งแปลว่าปัญญาเห็นชอบทำไมจึงเริ่มต้นด้วยสมาธิฏฐิเพราะหลักการในทางพระพุทธศาสนานั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยปัญญาเห็นชอบในความจริงคืออย่างน้อยที่สุดความเห็นจะต้องเป็นสมาธิฏฐิ ยอมรับกฎเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆที่ทรงแสดงเอาไว้ยอมรับความมีอยู่ของบุญของบาปของทานของศีลของผลการประพฤติปฏิบัติของคนดีที่ได้รับผลแห่งการประพฤติปฏิบัติเป็นต้นเพราะถ้าคนเราเริ่มต้นด้วยมิจฉาทิฐิแล้วอาการทางกายทางวาจาของบุคคลก็จะดำเนินไปผิด เมื่อดำเนินไปผิดแล้วศีลก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อศีลไม่มีไม่จําเป็นจะต้องพูดถึงเรื่องสมาธิพฤติกรรมของคนที่ออกมาทางกายทางวาจาทางใจนั้นเริ่มต้นมาที่ความคิดเห็นถ้าความคิดเห็นถูกก็เดินทางถูกถ้าความคิดเห็นผิดก็เดินทางผิดแล้วเมื่อผิดก็ชื่อว่าผิดตลอดไป เมื่อเดินทางถูกก็ชื่อว่าถูกตลอดไปสมา ธ, ธินั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็แบ่งออกเป็นสองระดับด้วยกันคือสมา ธ, ธิในระดับที่เป็นโลกยิยาซึ่งหมายความว่าบุคคลเหล่านั้นยังอยู่ในวิสัยของโลกยังเกี่ยวข้องกับโลกอยู่แต่ว่าความคิดความเห็นของบุคคลเหล่านั้น เป็นสมาธิฏฐิซึ่งทรงใช้คํานี้ในกุศลกรรมบททั้ง10ประการข้อสุดท้ายว่าที่ถูกชุ ก, กับคือการทําความคิดความเห็นของตนให้ตรงในบนญกริยาวัตถุ ก, ก็ใช้คํานี้แต่ในกุศลกรรมบทบางคราวก็ใช้ทับลงไปเลยว่าสมาธิฏฐิที่แปลว่าความเห็นชอบซึ่งโดยความก็เป็นอันเดียวกัน หลักสมา ธ, ธิที่พึงปลูกฝังให้บังเกิดขึ้นในเบื้องตน้นที่ท่านจัดเป็นโลกิยะสมา ธ, ธิในช่วงแรกนั้นเริ่มต้นด้วยกรร ม, มสักตาสมา ธ, ธิคือปัญญาเห็นชอบในการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมคือการกระทำเป็นของของตนคำว่ากรรมคือการกระทานั้น อันที่จริงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของบุคคลอยู่ตลอดไปชีวิตของบุคคลจึงเกี่ยวเนื่องอยู่กับกรรมทั้งในยามตื่นและแม้ในยามหลับบางโอกาสกรรมคืออะไรกรรมคือเจตนาหรือความจงใจที่บุคคลกระทำลงไปทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้าง อย่างที่พระพุะภาเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรับบุคคลคิดแล้วคือมีเจตนาความจงใจแล้วก็กระทำกรรมไปทางกายบ้างทางบัจจาบ้างทางใจบ้างกรรมเมื่อจำแนกโดยประเภทแล้วก็แบ่งออกเป็นสามประเภทด้วยกัน แต่ตามปกติเวลาเราพูดเรามักจะพูดเพียงสองประเภทคือพูดเฉพาะกุศลและกรรมกับอกุศลและกรรมแต่ที่จริงแล้วกรรมคือเจตนาที่บุคคลกระทำนำั้นนั้นแม้เป็นกลางๆที่เรียกว่าอัปยากตกรรมก็มีแสดงว่ากรรมจึงมีอยู่สามประเภทได้แก่กุศลและกรรมคือการกระทำที่ดีด้วยเจตนาที่เป็นกุศลอกุศลกรรม กรรมที่ทำด้วยเจตนาอันประกอบด้วยอกุศลและอัปยากกรรมคือกรรมที่เป็นกิ จ, จวัตรประจาวันของบุคคลทั่วๆไปเมื่อทำลงไปแล้วไม่เกิดเป็นบุญเป็นบาปอะไรแต่ว่าก็ก่อให้เกิดเป็นผลเป็นวิบากเช่นเดียวกันความเข้าใจเรื่องกรรมนั้นจึงต้องเริ่มต้นที่อัปยาการตกรรซึ่งเป็นเรื่อง เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของตนอภิยากตากรรมคือกรรมที่เป็นกลางๆนั้นเช่นการอาบนา้ําการรับประทานอาหารการซักผ้ารีดผ้ากิจวัตรต่างๆที่บุคคลกระทำจุกแต่ละอย่างนั้นไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญแต่ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตของตนเมื่อบุคคลกระทำลงไปแล้วก็จะได้รับวิบาก ค, คือผลที่เกิดขึ้น จากการกระทําเหล่านั้นเช่นว่ารับประทานอาหารออกผลมาเป็นวิบาก ค, คือความอิ่มและความอิ่มนั้นก็เป็นของของบุคคลนั้นคือใครรับประทานคนนั้นก็อิ่มคนอื่นจะไม่อิ่มแทนไม่ได้นี่เป็นการแสดงถึงความเกี่ยวเนื่องของกรรมในสามช่วงด้วยกันคือกรรมผลของกรรมและการที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน และจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมเหล่านั้นคือจะแบ่งให้คนอื่นไม่ได้อย่างตัวอย่างในกรณีของความอิ่มดังที่ได้กล่าวมาแล้วที่นี้ส่วนที่เป็นกุศ ล, ลกรรมนั้นคือการกระทําที่กรอบด้วยเจตนาอันเป็นกุศลเช่นว่ากระทําไปด้วยเมตตากรุณากระทําไปด้วยความไม่โลภอยากได้ของของบุคคลอื่นไม่พยาบาทปองร้ายใคร ทำไปด้วยความเห็นที่ถูกตรงตามหลักธรรมเป็นต้นซึ่งแน่นอนการกระทำเหล่านี้คยจะต้องมีลักษณะที่ไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาก็คือความสุข ก, กายสบายใจทั้งแก่ตนเองและบุคคลอื่นแต่ผลที่ประจักษ์ชัดนั้นคืออยู่ที่บุคคลผู้กระทำกรรมเหล่านั้นด้วยตนเอง ส่วนอกุศ ล, ลกรรมนั้นได้แก่กรรมที่บุคคลกระทามไปด้วยความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาความอาฆาตพยาบาทเป็นต้นซึ่งแสดงออกมาในลักษณะต่งางๆด้วยแรงกระตุ้นของอกุศลเหล่านั้นทำให้บุคคลกระทามลงไปทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างผลที่เกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้น ก็ออกมาในรูปของความทุกข์ความเดือดร้อนการเบียดเบียนตนเองและการเบียดเบียนผู้อื่นกรารมทั้งหมดคือทั้งเป็นส่วนผลและส่วนเหตุที่บุคคลได้กระทําลงไปนะั้นบุคคลเหล่านั้นจะต้องรับผิดชอบในผลและในกรรมที่ตนกระทําด้วยตนเองนี่เป็นหลักที่ได้ทรงแสดงเอาไว้ในเรื่องกฎแห่งกรรม พระพุทธศาสนานั้นเป็นกรรมวารีคือกล่าวความมีอยู่ความดำรงอยู่ของกรรมเพื่อจะให้บุคคลได้สำนึกว่าชีวิตของตนเองนั้นเกี่ยวข้องอยู่กับกรรมแต่โดยปกติแล้วคนทั่วไปก็ปรารถนาความสุขไม่ต้องการความทุกข์เมื่อปรารถนาความสุขไม่ต้องการความทุกข์เช่นนี้ บุคคลก็จะได้เลือกวิธีทางการประพฤติปฏิบัติของตนคือให้ประกอบกระทากรรมที่มีลักษณะเกื้อกูลอำนวยความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนและจะได้ละเว้นกรรมที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนเป็นไปเพื่อความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและบุคคลอื่นนี้เป็นหลักการในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นหลักการเบื้องตน้น ที่บุคคลจะต้องอิงอาศัยหลักของศรัทธาที่มีอยู่เวลาท่านจำแนกแยกแยะออกไปนั้นท่านถือว่าเป็นส่วนของศรัทธาได้แก่กา ร, รมาศรัทธาเชื่อความมีอยู่ของกรรมและเชื่อถึงการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเนื่องจากเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่ยาก เกิดการวิเคราะห์วินิจฉัยแยกแยะให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรได้อย่างชัดเจนดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสั่งสอนไว้ในส่วนที่เรียกว่าอภินิหาปัจจเวกคณนะคือสอนให้บุคคลพิจารณาเนืองๆว่าคนเรามีกรรมเป็นของของตนและจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเขาจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมเหลอานั้นและยังทรงสแสดงไว้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมเป็นตัวแยกเป็นตัวแบ่งให้สัตว์โลกมีความประนีตมีความเลวแตกต่างกันออกไปคนนี้เมื่อบุคคลน้อมนำเอาหลัก ของคำรรที่ทรงสอนให้พิจารณาเนือ ง, งเข้ามาวิเคราะห์ปินิดพิจารณาดูก็จะเห็นได้ว่าเป็นความจริงเช่นนั้นอย่างในกรณีตัวอย่างของอัพยากาตกรรมคือการบริโภคอาหารอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นการกระทําของตนเองและตนเองเป็นคนอิ่มและความอิ่มนั้นก็เป็นของของตนและบุคคล บริโภคสิ่งอะไรคือจะดีหรือไม่ดีก็ตามผลก็จะออกมาตามสมควรแก่สิ่งที่ตนบริโภคลงไปบุคคลมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์คือเกี่ยวข้องอยู่กับกรรมอยู่ในแวดวงของกรรมความเจริญก้าวหน้าความเสื่อมถอยของบุคคลนั้นอยู่ที่กรรมคือการกระทาของตนเองไม่ต้องไปมัวแสวงหาสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก หมายว่าจะเป็นพรหมบันดาลกรรมบันไอดวงชะตาอะไรต่างๆคือสรุปว่าไม่ได้เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกแต่เกี่ยวกับปัจจัยภายในเป็นประการสําคัญคนเรานั้นมีกรรมเป็นกําเนิดข้อนี้ไม่ต้องดูอื่นไกลคือดูในหลักที่เรียกว่าความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของบุคคลเราคือก่อให้เกิด เปลี่ยนแปลงในด้านฐานะความมีความเป็นของบุคคลทั้งหลายหลอดนั้นเกี่ยวเนื่องอยู่กับกรรมเป็นประการสำคัญคนที่เจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆก็เป็นเรื่องกรรมของเขาคือการกระทาเฉพาะในปัจจุบันก็เห็นได้ชัดแล้วและความเสื่อมถอยต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลก็เกี่ยวข้องอยู่กับกรรมของเขาบุคคลจึงต้องอิงอาศัยกรรมคือการกระทาอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการกระทำดีหรือทำชั่วก็ตามเมื่อบุคคลกระทำลงไปแล้วเขาเองจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมเหล่านั้นในเรื่องของขั้นที่เรียกว่าเป็นผลของกรรมในชั้นที่ประนีตออกไปนั้นพระบุมีพระภาคย์เจ้าทรงประทานหลักไว้โดยสรุปในมหากรรมวิพังกระสูตรเป็นใจความโดยสรุปว่า บุคคลที่ประกอบกระทาอกุศลและกรรมอยู่ในปัจจุบันในโอกาสต่อไปคือในการภายหน้าทั้งในชาติปัจจุบันและภายภาคหน้านั้น mm. เขาอาจจะประสบความสุขความเจริญก็มีประเภทนี้ทรงเชย่อเห็นว่าความสุขความเจริญที่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นไม่ใช่เป็นผลของอกุศแลแกรรมที่เขากาลังกระทำอยู่ แต่เป็นผลของกุศลและกรรมในอดีตซึ่งตามมาสนับสนุนบุคคลเหล่านั้นบุคคลประเภทที่สองกระทําอกุศลและกรรมอยู่ในปัจจุบันแล้วประสบความเดือดร้อนในภายหน้าคือทั้งชาตินี้และชาติหน้าก็มีความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นก็เช่นเดียวกันไม่บางคราวไม่ใช่เป็นผลของกรรมในปัจจุบันแต่บางคราวก็เป็นผลของกรรมในปัจจุบัน บางคราวก็เป็นผลของกรรมในอดีตคนบางคนที่ประพฤติดีปฏิบัติดีเห็นประจักษ์ชัดกันอยู่ในปัจจุบันแต่ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนหรือบางคราวตายไปแล้วตกในในรกก็เีงที่เป็นเช่นนี้ทรงเชื่อเห็นว่าเป็นเพราะอากุศลและกรรมในอดีตตามมาให้ผลแก่บุคคลเหล่านั้นก็ทาให มองดูแล้วมีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวจนคนที่ขาดปัญญาพิจารณาอย่างรู้ตามหลักของกรรมสศกตายานคือความรู้เรื่องการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนแหงง่งคงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดความเข้าใจสับสนในเรื่องนี้จนมีแนวคิดที่ว่าทำดีไม่ได้ดีบังเกิดขึ้ น, นข้อที่สนั้น คือคนที่ทำกุศลกรรมอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ได้รับความสุขความเจริญในภายหน้าตลอดถึงในชาติหน้าอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันอาจจะมีอยู่สองช่วงคือกุศลกรรมในปัจจุบันให้ผลหรือกุศลกรรมในอดีตตามมาให้ผลลักษณะของบุคคลบางคนจะเห็นได้ว่าคนเรามีคำพูดอยู่หลายประโยคที่เป็นการกล่าวถึงอดีตกรรมเช่นว่า ผีซ้ำด้ามพรอยเคราะร้ไข้รุมซึ่งหมายความว่าบุคคลเหล่านั้นประสบทุกข์เป็นทวีคูณขึ้นมาเพราะกรรมปัจจุบันบ้างเพราะอากุศลกรรมในปัจจุบันบ้างเพราะอากุศลกรรมในอดีตตามามาซ้ำเติมบ้างจนกลายเป็นสภาพผีซ้ำด้ามพรอยเคราะร้ไข้รุ่มหรือพระสุขข้าวระเสาแทรกอย่างที่พูดกันอีกพวกหนึ่งนั้น มีความสุขความเจริญคือปัจจุบันก็ทําดีมีความเจริญก้าวหน้าไปเราก็พูดกันว่าบุญมาวาสนาสง่งหรือว่ามีบารมีต่างๆเข้ามาสนับสนุนทาให้บุคคลเหล่านั้นมีความเจริญก้าวหน้าจริงๆขึ้นไปเงื่อนไขของกรร ม, มีความสลับซับซ้อนอย่างนี้ การจะรู้เห็นประจักษ์ชัดจึงเป็นเรื่องของพุทธญาณคือพระยานของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะแม้แต่พระอระหันต์เองก็ไม่อาจสามารถจำแนกประเด็นของกรรมได้ชัดเจนเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้และเงื่อนไขของการให้ผลแห่งกรรมอีกประการหนึ่งซึ่งควรแก่การทำความเข้าใจเอาไว้ก็คือว่าเรื่องของกรรมที่บุคคลกระทำลงไปนั้นมันเกี่ยวข้องด้วยคติ คือพบหรือสถานที่ที่ตนอุบัติเกี่ยวข้องอยู่กับอุปธิคือความเหมาะสมความสมบูรณ์ของร่างกายแห่งบุคคลนั้นๆแล้วเกี่ยวข้องอยู่กับกาละคือการที่จะอำนวยให้บุคคลเหล่านั้นได้รับผลและประโยคะคือการประกอบกระทำของบุคคลนั้นนันในปัจจุบันซึ่งประเด็นทั้งสามนี้ทั้ง4ประการนี้มีหลัก ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของบุคคลยกตัวอย่างในปัจจุบันที่ทรงแสดงไว้ในมงคลลายสูตรที่ว่าปฏิรูปรเดสวาโซจะปุเบจะกตปุญญาตาอัตตสัมมาปณีทีจะเอตมังกลมุตเถังสิ่งที่เป็นมงคลสามประการนี้เริ่มต้นด้วยการอุบัติบังเกิดในสถานที่ที่เหมาะที่ดี การจะอุบัติบังเกิดในกำเนิดที่ดีในสกูลที่ดีในสถานที่ที่ดีนั้นอาศัยปุเพกะตะปุญญาตาคือการได้ทําบุญไว้ในการก่อนแต่ถ้าเกิดในสถานที่ดีด้วยอํานาจบุญที่กระทําไว้ในการก่อนแล้วหากบุคคลไม่ตั้งตนไว้ชอบก็ประสบสิ่งที่ไม่เป็นมงคลในปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นต้องอาศัยการตั้งตนไว้ชอบ คือหมายความว่าการประกอบกระทำในปัจจุบันจะต้องมีลักษณะส่งเสริมสนับสนุสนแก่บุคคลผู้นั้นด้วยไม่ใช่รอคอยผลจากอดีตเพียงอย่างเดียวแต่ในกฎเกณฑ์แห่งกรรมนั้นแน่นอนที่สุดทรงแสดงไว้ในอาถารนสูตสุดคือเรื่องความเป็นไปไม่ได้แห่งสิ่งทั้งหลายเป็นอันมากในข้อที่เกี่ยวกับกรรมนั้นทรงแสดงไว้ว่าเป็นอถาถรคือเป็นไปไม่ได้ ที่บุคคลซึ่งกระทาความดีแล้วจะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะผลของการกระทาตีแห่งตนและเป็นอาถรณะคือเป็นไปไม่ได้ที่คนซึ่งกระทำชั่วแล้วจะได้รับความสุขความเจริญเพราะผลของการกระทำชั่วของตนแต่ในกรณีนี้ไม่ได้ปฏิเสธว่าการกระทำของบุคคลในปัจจุบันเช่นว่าคนทำดีและทาชั่วแล้ว จะไม่ได้รับผลในลักษณะที่ตรงกันข้ามเพราะว่าผลที่ตรงกันข้ามนั้นหากจะพึงมีก็ไม่ใช่เป็นผลของกรรมในปัจจุบันแต่เป็นผลของอดีตกรรมที่บุคคลเหล่านั้นกระทาไว้ในชาติ่างก่อนในในการกอดมาให้การสนับสนุนแก่ บ, บุคคลเหล่านั้นทีนี้การเกิดในคติหรือในภพในสถานที่ ดูในชีวิตปัจจุบันว่าคนบางคนอาจจะทำบุญไว้น้อยไปเกิดเสียไกลในป่าในกลางทุ่งนา <c oughs> โอกาสที่จะศึกษาเราเรียนเป็นต้นก็เสียไปแต่ต้องหากว่า <c oughs> กขประกอบกระทำในทางที่เหมาะที่ควรคือประโยค่าปัจจุบันเขาดีรูปร่างกายสุขภาพพลานามัยดี <c oughs> เขาก็อาจใช้ความเพียรประหยัด แต่จะให้สําเร็จทันคนที่สมบูรณ์ด้วยประการทั้งปวงนั้นไม่ได้เพราะยังไงสถานที่เกิดนั้นเป็นอุปสรรคของเขาไปแล้วเช่นว่าเขาอาจจะได้ป ร, ปริญญาตรีแต่อาจจะได้เมื่ อ, อายุติตกสาไปแล้วซึ่งเด็กๆบางคนก็อาจจะได้อายุเพียง20่สไปยีท่นั้นแกเกิดในสกุลที่ดีแล้วก็ในรูปร่างกายก็เป็นอุปสรรคคือด้านสุขภาพพลานามัยนั้นเป็นตัวกําหนดประการหนึ่ง ถ้าสุขภาพพลานาไม่ดีร่างกายสมบูรณ์ก็มีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นอย่างมากถ้าสุขภาพตรงกันข้ามก็กลายเป็นอุปสรรคไปเลยิอีกอย่างหนึ่งคือการลโอกาสที่จะอำนวยให้คอนี้จะเห็นได้ว่าเรื่องการนั้นเป็นเรื่องที่มีส่วนสำคัญมากคนบางคนทำความดีในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งแต่การไม่อํานวยให้ บางครั้งตัวเองตายไปตั้งเป็นร้อยรอยปีแล้วปรากฏว่าพอการอำนวยให้ผลงานของบุคคลเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากแก่สังคมซึ่งเราดูกันได้ตัวการที่กำหนดสาคัญที่สุดคือการประกอบกระทาในปัจจุบันของบุคคลเหล่านั้นถึงแม้จะมีอะไรมามากมายก็ตามสมมติว่ามีกุศลกรรมในอดีตเป็นอันมาก แต่ถ้าหากว่าประกอบกระทาในปัจจุบันไม่ดีแล้วก็เป็นอ่านว่าล้มเหลวมันเหมือนกับว่าบุคคลที่รับมรดกจำนวนมหาศาลจากบรรพบุรุษของตนแต่ในปัจจุบันนั้นตนปล่อยชีวิตให้เหลวแหลกไปไม่ประกอบกิจการงานทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็เสื่อมได้แม้ในขั้นของอุปนิสัยบารมีที่บุคคลสร้างสมอบรมไว้ในอดีตชาติก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน เช่นคนที่มีอุปนิสัยอาจจะบรรลุอรหัตได้แต่ถ้าไม่บำเพญ็ญเพียรพยายามต่อก็อาจจะเสื่อมได้ชีวิตของบุคคลจึงเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยกรรมอย่างนี้ประการสาคัญที่สุดคือบุคคลจะต้องปลูกฝังความเห็นในทางที่ชอบตามกฎเกณฑ์แห่งกรรมที่บุคคลได้กระทำเอาไว้แลน้อมใจเชื่อไปในการที่สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกาเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมบันไดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น mm hmm. เมื่อกอสัทธาความเชื่อให้บังเกิดขึ้นได้อย่างนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นการสร้างบันไดเพื่อจะนาตนให้ก้าวไป สู่ปัญญาอันดุษปราศาสตร์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประกาศแสดงเอาไว้กรรมสกกตา ส, สัมมาทิฏฐิจึงถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะก่อให้เกิดผลเป็นความเจริญก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาโอกาสต่อแต่นี้ไปขอให ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป